เมื่อวานก็หนาวอยู่บ้างแแต่วันดูสิวันนี้จะจะกว่าจะกว่าเมื่อวานนี่ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนปุปับเปลี่ยนปรับเนี่ยทําให้คนเป็นไข้เป็นหวัดแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อว่าถ้าแต่งได้นะจะเอาอย่างปีนี้แหละปะร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวปีนี้พอดีพอดีเอถ้าแต่งได้จะเอาอย่างปีนี้มันแต่บางปีมันหนาวจริงๆนะ มันลงถึงห้าถึงหกถึงสามก็ยังมีแต่ว่าสิบเอ็ดสิบสิบสิบสองนี่ก็พอแรงอยู่นะนะหนาวนี่นะแต่นี้ลงพ่อว่าประมาณสักยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสองอาอากาศช่วงนี้นะถ้าคิดเป็นคิดแบบแอนะแอร์เนี่ยคนอยู่ได้แต่ยี่สิบห้าสบายสบา ย, บายพูดนะ บริษัทบริวารของหลวงพ่อเนี่ยมากจริงๆเห็นไหมหวยโหนโจรทยานลองสนานบวันไว้แต่ละวันแล้วก็ก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อสัตว์ในวัดของหลวงพ่อเนี่สัตว์อันไหนมากที่สุดอเห็นแต่ปู่กระมดเนี่ยมากาเอา้ามันก็เป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมล่ะอาจจะว่าเลี้ยงมา ก, กเป็น นับสี่ตัวมดตัวปวกมันก็สู้พดมดสู้ ป, ว ก, กปวกไม่ได้ฮชหลวงพ่อก็เยกลยบอกปวกกับมดแล้วมากในวัดเนี่ว่ะถึงจะลิงมากมันก็มากอย่างงั้นแหละแต่ก่อนหมูป่ามากหมูป่าเป็นร้อยแต่นี่จับไปเกือบหมดแหละยังเหลือไม่เท่าไหร่ยังเหลือไม่กี่ตัวเดียหมูปา่าแต่ลิงนะ่ยยังเยอะอยู่เลยมันมีอยู่ลิงอยู่สามฝูงนะลิงในวะัดหลวงพ่อมีอยู่สามฝูง แต่วันไหนมันมาเจอกันวงจรมาครบกันกันบวันนั้นแหละเกิดศึกที่หมากันแล้วงั้นแหอะหัวหน้าก็ไปเชิญหน้ากันนะลูกน้องกันตั้งหมัดตั้งมวยแบบเหมือนกับคนเลยแล้วงั้นะหอะคนเราก็เหมือนกันนะพวกใครพ้องเรางั้นะเหมือนกับลิงหนึ่งมนุษย์ของเราคงจะเอามานิษสัยจากพวกลิงเหมือนกันนะ เ, เพราะว่าคนมันกาย กลายมาที่แรกเป็นลิงซะก่อนต่อมาเป็นคนอต่ในพวกยังเป็นลิงอยู่กันเลยยังยังสู้กันต่อเหมือนนเลยสามคนสามพวกนี้ลิงที่วัดหลวงพ่อสามก๊กเหมือนันกกทัวนกกหนึ่งกกแถบแถ บ, บนี้กกหนึ่งกกทั้งหลังบัดกกหนึ่งอถ้ามันมาเจอกันแล้วกันนั้นแหละเกิดสิกขี่หมา ก, กันแล้วเสียงสนั่นวันไวแสดงว่า เออลิงฝูงลิงมาเจอกันเหมือนกันไม่ใช่เกิดเจอกันด้วยความชมาณฑ์ฉันไม่ใช่นะหญิงเขี้ยวสกันเลยไม่ใช่ธรรมด า, าวเหมือ น, นเอ่อพวกใครกลุ่มอะไกลุ่มเราหญิงเขี้ยวสกันเหมือนกันเอ่อจะ ก, กัดจัฟัดกันจริงๆริงเลยเห็นแล้วโอ้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็แล้วไปทําไมไปหากัดกันวะลิงบัดลงพ่อมอยู่สามพวกแต่ชนีโดดเดียวเตียมีชนีอยู่ตัวเดียว แต่ละวันเนี่ยโอ้ลองควนคางหาหมูว่าืนันอะเนี่ยเยมันสัตว์มันก็แปลกเหมือนกันนะถ้าไม่มีหมูจริงๆก่อนลองควน ค, คางหาหมูเหมอนกันโ อ, โอ้จะไปิดไปเป็นหมูลิงลิงก็ไม่ให้เป็นหมูเลเ น, นี่เออจะให้มันจะไปเป็นหมูข้างข้างก็ไม่ให้เป็นหมูเหมืนเนเอะเออชนนี้เราอยู่แบบเดียวดายเออ คิดสนุกขึ้นมาง่อมเหงาขึ้นมาแล้วก็ร้องแม้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงร้องไปไหนเมื่อวั น, นแต่ตั้งเชื่อว่าสมชายนะชะนีหลวงพ่อเนี่ยตั้งเชื่อว่าชะนีสมชายไม่ใช่เพิ่งตั้งนะตั้งมาตั้งแต่เป็นสิบกว่าปีนะชะนีตัว น, นี้หลวงพ่อชะนีตัว น, นี้อายุยืนมากชนนะนีเป็นชะนีดําอำวันนี้ก็เป็นวันที่สามมีนาห้าสามนะ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 คนในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะนำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ในด้านมุมใดในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเราจึงได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสั้รู้ธรรมหรือได้ประกาศธรรม ได้เผยแผ่ธรรมที่วางทำคําคสอนไว้ที่พวกเราได้มาพบมาเจอจุดท้ายปลายแดนเราได้นํำทำคําคสอนมาประพฤติปฏิบัติดื้อนำทำคําคสอนมาวิเคราะห์กันล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุผลแต่ผู้ใดก็าตามถ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วออกนอกลูนอกทางอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงเส้นคงวา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 อย่างที่หลวงพ่อว่าทําไมพระพุทธเจา้าจึงสอนให้ทานทําไมพระพุทธเจา้าจึงให้มีกฎระเบียบ ร, รักษาศีลทําไมพระพุทธเจา้าจึงสอนให้ภาวนาทําจิตให้สงบทําไมพระพุทธเจา้าจึงให้จิตสงบเพียงไม่เพียงพอจึงสอนให้พิจารณาทางวิปัสสนาให้แยกแยะอีกทําไมพระพุทธเจา้าบอกว่าถ้าหากว่าไม่แยกแยะ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 คนหนึ่งติดตามเหมือนกันแต่คือรักษาพระเจ้าเป็นดินที่แบบมหาเล็กคงนี่ก็คงจะพร้อมหมดทุกอย่างนะทั้งมัดทั้งมวยทั้งอะไรทั้งจัตตราอาวุธก็คงจะพร้อมอะผู้ติดตามเหมือนกันพระเจ้าเป็นดินก็ไปทุกแห่งทุกขนทุกซอกทุกมุมพอไปไปวันหนึ่งไปเห็นยายแก่กําลังตําข้าวกลางคืนว่าตําข้าวอยู่ พระเจ้าแผ่นดินถูกกลิ่นข้าวอข้าวคงจะเป็นข้าวใหม่มั้งเขาตําตมันกลิ่นหอมมากันเถอเพราะตีนหอมกลิ่นกลิ่นข้าวมันหอมตํามาเลยบอกบอกมหาดเล็กเฮ้ยมหาดเล็กไปขอข้าวกับยายแก่เนี่ยไปขอลําำนะขอลําอ่อนกับยายแก่ใก่ําใหญ่ๆ ห, หนึ่งนะพระองค์จะเอามาอะไรโอ้ยเอามากินแล้วเว้ยโอ้ย ไม่ได้เนี่ยพระเจ้าเป็นดินกินลำเลมันเสียศักดิ์ศรีเด้เลยลำเลยมันมีแต่ให้หมูก็ให้หมากินเยให้วัวกินเลยอันนี้พระเจ้าเป็นดินกินลำเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเด้เอออมารถนามหาดเล็กก็ได้รับคําสั่งมหาดเล็กก็ไปก็เลยขอขอลำกับยายว่างั้นะที่กําลังตําข้าวกลางคืนยายก็ให้ข้าวเอาเอาเอาซีกลลรรมมาต้องการเท่าไหร่ มหาเล็กก็เลยเอาคำรรบักใหญ่หนึงใส่ไปกล้วยหอมามาให้มหาเล็กก็บอกว่าโอ้ยพระองค์อย่าสวยเถอะเนี่ยสวยลำเนี่ยมันไม่ดีเด้เสียศักดิ์ศรีเด้เอ่เดี๋ยวจะยินไปที่ไหนก็เสียศักดิ์ศรีพระเจ้าแผ่นดินกินลำเนี่ยลำน้ำก็ให้หมูให้วัวให้ม้ากินนะอันนี้พระเจ้าแผ่นดินกินลำเนี่ย มันจะเสียศักดิ์ศรีของพระองค์ได้เป็นเจ้าไป็นนินเอาเน้าเราอยากนี่ยว่ะเธออย่าพูดไปมานะถ้าเธอพูดใข้อขาดนะจะพูดให้เราอยากแคอยากมีแต่เราสองคนเท่านี่แหละใครจะเป็นคนพูดใครจะเป็นใครรู้อะเราอยากเน่อย่าพูดไปพูดมานะขืนพูดถ้าออกไปแล้วกว่อนะอขาดก็แล้วกันนะผลที่สุด มหาดเล็กก็ไม่รู้จะทํำยังไงไงไปเจ้าประเด็นก็กินลำเหมือนกันเนีอย่างที่ตัวเองอยากอร่อยหรือไม่อร่อยก็มหาดเล็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยไหมเหมือนกันเถ อ, อะพอ ก, กินเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างหยุดกันเลยใช่ไหมไอแต่ตัวมหาดเล็กนี่สิใี่ไหอมันคันปากเหมือนกันเถอไปที่ไหน อ, อยากจะพูดเหมือนกันเถ อ, อะอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้กลัวคอขาดคันอยู่อย่างนั้นแหละปากก็ยุบขยับ อดไม่อดทนไม่ไหวว่างั้นมันอัดอั้นตันใจอยู่ที่ไหนก็นถึงจะนอนไม่หลับจะเป็นประสาทเอาว่างั้นเธาทำไมได้ระบายว่างั้นเธอเอพรอยากจะพูดให้ใครใคฟังวันหนึ่งก็เลยว่าไปกลางทะเลดีกว่าไหมไปพูดจะไปกลางทะเลจะไปพูดว่าไอ้ปยากรินลำนะจะไปพูดในกลางทะเลว่างั้นเธอพอพายเรือไปแล้วก็ไม่กล้าพูดกลัวคนแถบนั้นจะได้ยินอีกว่างั้นเถอเออพวกเรือเขาจะได้ยินกลับเข้ามาอีก ไปกลางท้องนาอีกจะไปพูดโอ้พยากินลำได้อก็กลัวกลัวพวกหาปูหาปลาแถนนั้นจะยินอีกเลยไม่รู้จะพูดอย่างอัดอั้นตันใจว่ากันแถอะวันหนึ่งก็เลยเข้าไปในป่าดงนะป่าดงก็ขึ้นไปหามองหาใครไม่เห็นไกลไกลขึ้นไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ประดูใหญ่เหมืนั้นแถอะมันก็เป็นโพรงอยู่ข้างใน ใ น, นก็ปีนขึ้นไปข้างบนไม่มีใครก็มองลงไปในโพงก็ไม่มีใครเหมือนกันแต่เสร็จแลว้วก็ระบายออกมาทีว้าพญากินลำพญากินลำเพื่ออในโพงในโพงไอ้ไม้ประดูเหมือนกันแตพญากินลำพญากินลำพญากินลำเหมืนอนนเออแต่นี้นก็เลยลงมาโอ้พอดิพูดแล้วหายห่วงทีนี่้สบายใจว่าือ้นเถอะพราได้ระบายออกแล้วเหงือน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 ก็ต้องไม้เป็นโพรงเขาก็เลยไปตัดพอตัดเสร็จแล้วก็มาทําเป็นกองเลยเขาก็มาขูดมาเกาโอ้ใครๆเห็นโอ้เหน้าเป็นเป็นกองไยลีตีเข้าสงครามได้แล้วเนี่ยมันทําสวยงามเหลือเกินเหมือนกันพอเสร็จแล้วก็หุ้มหนังเสร็จเรียบร้อยเขาก็ใครก็ยังไม่กล้าตีแล้วเหมือนนเถอะต้องให้พระราชาเป็นคนตีก่องเหมือนนครัทีนี้เขาก็หุ้มหนังเสร็จแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นห้างเศษเรียบร้อยให้พระเจ้าเป็นดินเป็นคนตีเหมือนกันพระเจ้าเป็นธ์ดีก็ชัด ต, ตีแล้วมันน่าจะดังตุ่มตุ่มตุ่มเงินตุ่มตุ่มตุ่มเ ง, งนินตีกองเลยมไ ด, ดต้ตีตบเข้าไปพญากินล่ําพญากินล่ําพญากินลาําอ้าวทําไม่วะทาไมกองตอนนี้นมันเสียงดังอย่างนี้วะ ทำไมมันพยากินล่ําพยากินล่ําพยากินลำพี่พย า, พยาไปเจ้าไปดีกัหยุดตีทันทีเอ้าทําไมเป็นงี้หวะคนที่รู้จักคื อ, คอใครเนี่ยว่ามหาเล็กเท่านั้นแหละเป็นคนรู้จักเออไม่มีใครรู้จักพวกเราคิดคิดดูกันแล้วกั น, นมหาเล็กคนนั้นจะเป็นยังไงเอหลวงพ่อว่าต้องคอขาดแน่ๆมันเขาก็ไม่อธิบายต่อว่าพระราชาจะสืบได้ยังไงอย่างงั้นนี่แหละ ที่ทานเรื่องนี้ท่าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วกันอืมให้รักษาคำพูดเราได้ยินเรื่องอะไรมาแปลกปลอมยังไงเรื่องอะไรถ้าหยุดกับเราเรื่องมันจะไม่เกิดอย่างที่บ้านเมืองทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้ยินอะไรมาเนี่ยเอาพักไปขยายความมันไม่มีที่สิ้นจุดถ้าหยุดพูดสักบ้านเมืองก็จะจบเรื่องเราทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกัน เราได้ยินเรื่องอะไรมาเราอยู่กับเราถ้าจบอย่าไปพูดออย่าไปเหมือนมหาดเล็กอย่าง น, นั้นเถอะถ้าไปพูดแบบมหาดเล็กนะคอขาดแน่เนี่ยพระราชาต้องสืบสอบหาให้ได้แล้วงั้นเถอะใครต้องมหาดเล็กเน่ะไม่มีใครรู้หรอกมีมีแต่ข้ากับเองเท่า น, นั้นเองวันนั้นอนะ่ะมึงไปพูดยังไงก่องตัวนี้มันยังเสียงดังอย่างนี้เนี่ยพระราชาก็ต้องสืบสอบหาให้ได้แล้วงั้นเอนี่แต่ท่านี้ พระราชาก็เหมือนกันในหลวงพ่อว่านะถ้ามาพิจารณาอีกในมุมหนึ่งตัวเองเป็นพระราชาจะทําอะไรมันก็ต้องคิดเสก่อนไม่ใช่อยากจะกินอะไรก็กินอยากกินลำก็กินเออตามให้จริงมันไม่ถูกเนี่ยอาหารล้ำก็คืออาหารหมูกับอาหารมา้าอาหารวัวนั่นโดยมากเป็นอาหารหมูมากกว่าตัวเองจะทําอะไรมันกินอาหารหมูเนี่ยถ้าไปได้ยินไปถึงไหนมันก็น่าอับอายขายหน้าใช่ไหมล่ะก็น่าจะรู้จักว่าเออ ถึงจะอยากก็ไม่ควรจะกินเพราะเราเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าเป็นดินปกครองเขาถ้าคนทั้งหลายได้ยินว่าพระเจ้าเป็นดินกินลำเห็นไหมแลมันก็น่าจะอับอายแต่สิ่งไหนที่มันไม่ถูกก็ไม่น่าจะทําอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเหมือนกันพวกเราอยู่ในสถานะไหนในสถานะหลวงพ่อใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกเออถ้ามันความลับออกไปมันก็ขายหน้าหลวงพ่ออีกเหมือนกัน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 คำพังเพยของเมืองไทยว่าถ้าหากว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากปากเป็นสีคือตบปากปากแตกเลยตนตนตบปากุ้นตีนตนตปากเพูดดีได้ภัยเบี้ยพูดไม่ดีเสียภัยเบี้ยแต่หลวงพ่อก็จาคำนี้ไม่ได้แต่สรุปแล้วก็คือถ้าพูดไม่ดีเสียในเสียเงินเสียทองถ้าพูดดีมากได้เงินได้ทอง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 คนที่เป็นนายกได้ก็ต้องมีปากต้องมีเหตุมีผลในการพูดแต่นายกพูดไม่ถูกตกตำแหน่งก็มากต่อมากอีกเหมือนกันนไม่ว่าแต่นายกหรือว่ะคนใครอื่นทั้งหมดเน่ยเสียเพราะปากมันมีมากต่อมากในทานในชาดกเหมือนกันเต่ามันอยากมันอยากจะไปอยู่น้องอื่นนกกระยางก็เลยถามว่าแกอยกจะไปอยู่น้องอื่นไหม หน้องนี่มันแห้งแล้วโอ้ยอยากจะไปนะถ้าอยากจะไปเดี๋ยวพวกเราจะช่วยนกกระยางบอกจะช่วยได้ยังไงเอาให้ตะแก่คาบไม้ตรงกลางนกกระยางสองตัวคาบขนและสนไม้เดี๋ยวหามไปแล้วก็จะไปลงหนองก็ได้เเต่าแต่จะจะไปพูดนะเน่ต้องคาบไม้ให้แน่นนะเนี่ยนกกระยางบอกเออได้ แต่เด็ก็ให้คาบไม้ท่านินกยางก็เลยคาบสองซ้นไม้พาบินขึ้นอากาศเอพอบินขึ้นอากาศไปผ่านกรุงพารานสีสมัยนะ้ำพระเจ้าเป็นดิ น, นมันกินก็คงจะบินต่ำํำท่นเนินกย่างมันบินต่ําคงจะหนักมนะั้งคนก็เห็นท่านิคนก็ว่าโอ้เต่าเต่าหามนกเต่าหาบนกยางเต่าหาบนกย่างเต่าหามนกย่างหา น, างน่อยเพราะมันเต่า อ, อยู่ตรงกลางเลย ไอ้โจเต่าเนี่ยคอยากจะพูดว่างั้นเถอะบอกว่าไม่ใช่นกยางหับนกยางหามเตา่านกยางหามเต่านี่ยเต่าก็เอ้ า, อ า, อาปากก็เลงจะพูดว่านกยางหามเตา่าว่างั้นเถอะมันก็เลยหลุดต้มลงมาเต่าเท่านั้นก็เลยหลังแตกเพราะนั้นหลังเต่ายังแตกเป็นตะปุ่มตะปําทุกวันนี้เพราะมันตกลงมาจากที่สูงเขาว่างั้นนะ เนี่ยพ่อตายพ่อปากไเพ่นน่ะจมชายมันกำลังจะร้องเพลงให้ฟังเอารับพรนี่ัน